เขาเนยเขก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่เขาพูดไปเขาไปรู้มาจากไหนแต่อันนี้คือจิตของเราที่ธรรมชาติเป็นผู้รู้เวลาที่มันเป็นจิตแท้ๆมันรวมกันเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเห็นยาชาและพอเขาพูดต่อไปหูเขาได้อยู่เสียงตัวเขาเองเขาถึงรู้ว่ามันอยูู่หนังเราห่างนะแล้วมันที่ที่หายแต่ดึกของเรานี่ยแล้วก็ต่างเป็นเรื่องประดาวีมากเลยห่ะ จกระท่าวบานช่วยเขาเนี่ยก็เอาตัวเข้าออกมาได้โดยที่แน่ถึงแบบไม้กระดานที่จอดต้องพอดีรถเออรแอมเบลนส์ที่คนโทรไปตามเนี่ยมาพอดีก็เอาเข้าไปจากห้องผ่าตัดที่เบิดเรี้ยวมาไว้ก็ผ่าตัดเ้าแล้วก็พื้นขึ้นมารู้ตัวเอหมอเข้ามาเล่าให้เขาฟังเพราะงั้นที่เขารู้แล้วก็พูดไปแล้วคุณหมอก็ถามเขาบอกว่าเขาทํำยังไงอ่ะเขาถึงได้ คุณสติได้ดีอย่างนี้แล้วก็ถึรู้รละเอียดทีทวดเห็นตาเห็นอย่างเนี้ยเขาก็เลยบอกเนี้ยเขาก็เลยได้กำลังใจว่ า, า, าที่ครูบาอาจารย์ให้แบบว่าใจของเราเป็นธรรมชาติท่านรู้ที่มันรู้ตามความเป็นจริงนะคะั้งแต่ที่เราเนี้ยเวลาที่ดีอย่างเนี้ยเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยที่จะทําสติของเราให้มันบริบูรณ์ได้ ให้คำวิชาที่มันแทรกอ่แผนจอที่มันมาประทับติดแล้วก็เอามือเอาปากเราไปเป็นเครื่องมือเนี่ยนะคะกายกรรมก็ดีกับรวทั้งบัณฑกรรมด้วยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยกลายเป็นดีเห่นไปเราที่รู้ตัวและเราก็เรื่องว่าไม่ดีเด่นมันเจียมสอนให้เรารู้นหนักขั้ความจริงแต่ไอ้องคิงที่เขาเป็นย่าทรงรู้ทำไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าจศัลยภาพของชาติจริงของเราเนี่ยมันเป็น ถ้าเราได้ความั่นใจตรงนี้เราก็จะได้ฝึกเราเร่ก็จะได้ฝึกเรานะคะตัวอย่งงางง่ายอย่างตัวตื่นว่าเราทานี่บาปเนี่ยถ้าเราทานี้บาปและเราไม่ใส่ใจสนใจนี่เป็นบาปเยอะเรากำลังทำงานค้างอยู่ไม่เสร็จจะมาตัดแต่ว่ า, าตเตอร์มากิดนี่บาปแลวเราก็ลืมไปว่ามี่บาปหน้าก็ทางานทำการได้เองเสร็จเราข้างเราอาบน้ำอาบทา โชคดีพอเสร็จเรียบร้อยแกะวัตเตอร์ออกคนทีแล้เราดีๆจะนะะไม่บัวไม่ช้าไม่อะไรเลยแต่ถ้าเผื่เราไม่ทําอย่างนั้นพอมีปากำลัจะทํางานต่อไปแต่วัตเตอร์ออกมาดูที่ดึงป้าเข่าดึงออกมันก็บัวเลือดมก็ซึมออกมาอีกหอยตยแล้เลือดต่อมันจะออกมากแค่ไหนรู้สึกว่าใจเราตรงนี้ป่าที่มันเริ่มเต้นตุ๊ดตุ๊ดนะคะ ทีนี้พจะไปทํางานต่อผู้ปิดเัจจุบไว้แต่ใจเราจะกดดันเราละมันตุ๊บๆอยู่ใช่นะมันจะเป็นหนองว่าเป่าตรงๆจากเข้าจากออกน่นะคะผมก็เลยช้ำมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่เปสนใจใส่ใจมันเราก็ทํางานทำการได้แา่ประวัติของมันเรียบร้อยจนช่ไมคะทีนี้ดีละว่าที่ตุ๊บๆๆที่เห็นเลือดออกเป็นหลงไปเลยอันนี้แหละค่ะจริงๆกาย มันเก็บมันดีแค่นั้นแหละเราจะไปยุ่งกับมันเพราะทีที่ไอ้กายเราก็เหมือนบ้านเรือนเนี่ยมันก็เหมือนท่าไม้ท่านคืนทางเดินอะไรนะจ๊ะแต่พอเราอาใจเข้าไปใส่ในท่าไม้ท่านคืนในท่านไม้ท่านคืนมันก็ตุ๊มันก็อักเสมันก็ผหวงขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะฝึกติดเราให้เราี่ว่าทีท่านไม้ท่านคืท่อนนี้อักมันเจ็บมันอักเสบมันเหี่ยงอนอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเวลาคึ สมัยนะคะเราก็จะค่อยเชื่อเหมที่ไปเร่อยๆอย่างนี้ได้เหมือนอย่างจักทีอยู่แด้ทีท่านหนึ่งค่ะท่านอนรุ่นเก้วตอนที่ท่านเป็นปอดัวมากะทีนี้แม่ทีทางสามส่วนใหญ่ท่านก็จะผ่ามานานเป็นประจําท่านก็ไม่ยอกให้ลูกหลานท่านเข้ามาท่านค่ะเวลานอนเนี่ยท่านก็นอนจากแขนขวานะคะทีนี้พอตึกเข้าใจว่า ขาที่ยอนอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ตรงมีตบล ง, งมาเหมือนเอิ้ที่จะนนอนมันชิดกับขอบเสือ่อได้เสื่อที่มันมีขอบเป็นสามหนนะ้าและนั้นก็ไม่มีแรงที่จะชักขากลับขึบ้นมาแลวตรงนันก็ทับอยู่บนขอบเสืออ่างนั้นจนเช้ายุกมาแต่บ้านมาดูแหมก็พบว่าไอ้ตร้ที่ขอบเสื่อมันทับอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นรอยไหมเหมือน กดทับที่คนไข้ที่เป็นอัมพาตเรื่อยๆแล้วก็กดทับนะนั้นก็เป็นเล็บจ่อจะมากระชาวบ้านที่มาใส่บาตเพอลูกๆเขาโวยวายกันว่าอายามาใส่อะไรดีลวดเป็นยังไงเจ็บมากไหมอะไรต่ออะไรถึงไม่ทีท่านองกําลับของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านองราคาญท่านก็บอกว่าไอ้พวกนีกับปัญหาที่มา เพราะก็อว่าคนที่มาวัดก็ต้องปฏิบัติด้วยจะมาค่ะมีเพื่อนแค่กรรมฐานที่มาก็เห็นไหมว่าตัวท่านอ่ะมันยังเป็นผีดิบอยู่มันยังหยใจโอ๊ะโอ๊ะอยู่เนี่ยแต่มีนักตัวมันบอกให้เห็นแล้วว่ามันตายแล้วก็ไปกดมันอยู่นานๆมันตายแล้วแทนที่จะพิตจะดาแล้วจะเปิดให้ยัมหายใจที่มันหมนไปจริง ก็จะได้ไมนไปยืดกับไอ้างกายแบบนี้นี่ก็ไปพูดกัมานะคะได้องไที่จะแดนให้ยไม่รู้ใหใจเราฟังแล้วเราก็ได้สตินะคะว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งจิให้ดีแล้วก็จะก่อให้โอกาสทองมันผ่านไปเพราะเราหองดุเราก็รู้ว่ามันต้องเจ็บแค่ไหนเมืนเราเนี่ย อะไรปปวดทับจนกระทั่งเป็นรอยเนี่ยเราเป็นเด็ก้าบางทีเราหิ้วของหนักๆใช่ไหมค่ะและกให้เชิงปางที่เป็นหูที่หัวเปนบาที่เรากแต่ความที่เรายืดเราัวของเด็กทนั้นนะคะเราก็ไม่ยอมบาอีกที่เป็นขนาอีกนินนาทีนี้มันตะกี้อีกจนกระทั่งมันลุบมือไปเองอนนี้ว่ารู้่าเราวางเป็นาแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราได้เปรียบเทีย ที่มันเกิดขึ้นทิในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วพอใจเราจะไปคิดไปคิอะไรเองมันอยากได้สิ่งทุกคนเห็นกันชัดๆนะคะแล้วมันหลบๆไปทีเรายึดบ้านยึดชื่อเส็นงเียย้อนจริงๆน่มันมองไม่เห็นใช่ไหมะแต่มันหนักอยเนี้ยแล้วมันก็ทำให้มือเราสกิลจับใจเราะกิลจับเกิดไปทั้งแย่ไถ้าเราปลุประมาทปลุกปมได้อย่างเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยวางเป็น ก็จะวางได้หรือตอนที่ท่านก็จะมีทิ้งทอยจะมีจบมรณภาพอาาศเราก็คุยว่ายบอว่าท่านนะคะว่าท่านจะนถ้าท่านจะอายุได้่างนี้มัยท่านไม่โอกแล้ว่าเราว่าดีดีเหมือนท่านรอนให้เรากระโดดโรครงมาจะเออเิคอปเตอร์โรคอย่างไรทัตาเลท่านก็ีดล้วดงมาเลยนะคะเราก็ แย่เลยแต่ลพอเราเดินจมกองใจเราหิ nào, ้งดีดเราก็ไมได้ยเสียงท่านท่านเสกว่าาจารที่มีอารมณ์ขันแลวก็ชอบูดเล่นมากค่ะเวลาท่านหุดเราว่าเอ้ยทขเลทอยู่นั่นแหะเราก็ว่าเราไม่ได้ทเลทเลยนะคะแต่ท่านคงรู้ว่าเวลาที่ท่านจะได้ดูแลเราเนี่ยมันท่เดียวท่านแล้วอยอาจารย์เหนื่อยหัวใจแล้วเคยมีดูสิอย่างนี้ อาจารย์ที่่ปถึงหมืปีหรอกนะแทนที่เราจะฟังเป็นนะคะว่าที่ท่านไปหวยให้แล้วเรากจย่อาจารย์เจ้าขาสุดจให้ทามให้ด้านยันถึงหม่นปีหรอกเพราะเราหลวง่าชรามากนะคะร้อยปีก็ไม่เอาจ้าท่านอาจารย์เหนือยแก่แล้วท่านก็ทาเสีย ง, ง, ง, งคล้ายๆบบว่าเหนื่ยจะพูดเรบงแ่ฉันพูดเรื่องจริงๆนะแก่ก็เห็นเป็นเรื่องเล่มออ ท่นบอกอะไรภาพจริงๆแล้วพอเราครอบขวดในใจแล้วพอเราเลือกอย่างนี้ได้แล้วมันเป็นจริงๆนะท่านอาจารย์ก็บอกเลยละแต่เราโม้เจอเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามอกให้เป็นเนี้ค่ะทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่เราเท่านั้นเลยัแต่เราเราไม่โทษตัวเองนะคะไม่โทษตัวเองเราจะบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นเราอาจารย์ก็ไมเร่งแล้วอาจารย์ไม่โม้นั่นอาจารย์เองตัวเราเองตัวเราเองอ่ะมาเห็นกับบ้านที่เรามาปฏิบัติแตนในที่นี้เนี่ยเราก็ ูสถานที่นี้จะภาพเขาก็เตือนเราแล้วใช่จะมคะว่าถ้าเราพูดมากเล็กป่าเนี่ยค่ะเราก็จะได้ยิแต่เสียงเสียงจริงจริเสียงจากปากเราพูดแต่ที่เสียงใจเราคิดซึ่งเป็นเสียงเบาเบากเราบอกล้วนะคะใจมันเป็นผลมเวลาเราคิดอะไรเนี่ยมันเป็นอยู่ที่มีเสียงแต่มันเป็นเสียงที่เบาเบาบเบาเบาเบาเบเาเบเาเบาาเเบาเ เมื่อเมื่อิฉันมีหลานคนแรกเนี่ยค่ะตอนนั้นเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมล้วก็สอนหลานได้แต่เด็กๆว่หลานพูดูเรื่องอะไรต่ออะไราก็บอกนี่นี่นะเวลาที่เราฟังเสียงใจเราเนี่ยแล้วเวลาที่ใจเราดีเนี่ยจะบอกว่าเทวดาของเขาจะใเข้าใจนะคะก็บอกพี่ดีมันพูดนะแต่เวลาที่เขาดื้อเนี่ยดีเละพีบ้าพีบ้ามัน แย่แต่แถมด้วยที่เขาแล้วจ้าเกิดเขาฝังแต่ดีบ้านเนี่ยหน่อยเขาก็จะกลายเป็นผีจริงๆแล้วก็บ้าด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ยูดติดถามว่าเขาเนี่ยจะรู้เรื่องแต่เราก็กอกรู้เข้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี่วันค่ะเก็ออกเรต่อเอมากพ่อเาจะเอาไปรเรียนรัฐบาลเขาก็ไม่ไปเขาก็อะไรว่าเราก็มองตาเขายังไมด้วาเขาเลยค่ะมองตาก็ปุ๊บก็บอก ที่บ้านเสียงมันดังนะไม่ใช่ลูกอยากฟังมันนะลูกก็จะแตะแหนหูฟังที่ดีๆเนี่ยแต่เสียงที่บ้านมันดังปกรธหมดจนจะทั่งไม่ได้ยินคือเราก็เรียเน้นว่าเด็กเนี่ยเขาก็รู้นะคะแล้วต่อมาต่อมาทีหลังเนี่ยเขาก็จะมีความยั่งยืนช่างใจแล้วเขาก็จะใจของเขาได้ถึงบอกค่ะว่าเนี่ยค่ะเราเองเราก็ต้องสอนใจเราเหมือนสอนเด็กๆเนี่ย เวที่มันเกเรขึ้นมาเนี่ยก็ถึงเราจะอายุต่อมอกแค่ไหนนะคะใจเรามันก็ยังเป็นเด็กเล็กๆในกลับก็ยังทันเด็กหลายอย่างเนี้ยค่ะทีนี้อันนี้ก็พูดได้ฟังคือว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราคอยดูใจเราแล้วเราเห็นว่าเออนะเราแยกตายแยกใจได้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยพอเราเจ็บนิดเจ็บหน่อยเพราะไม่อย่นั้นพอเราปวดปวตัวร้อนหน่อยมันนี้เราทำไม่ได้แล้ว แต่ต้องนอนพักเดีต้องหายาแก้ปวดทีจะมาค่ะเวลาที่ไปที่วัดเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ว่าค่ะเวลาเราขอลาท่านก็ตอนนี้ไขวัดมันลุกลามเราขอลาไปโรพยาบาลให้ก่นแต่เดีลยวท่านก็ทาทเปเดินไปดูต้ไม้ใบยาแล้วท่านก็ลาแล้วว่าที่จนรอดแต่แต้มันก็ไม่หนีโรงพยาบาลดีมันองไปหาหมอกินยาแก้ไขเลยนะแต่ก็ไม่เห็นมันสูญพันธุ์นก็ล ดูเต็มวัดนะคะเราก็มองหน้าแต่ว่าเราอยากจะไปโรงพยาบาลอีกเหรอเราก็วันนี้ยังห้วัดนอยๆลองไม่ยืนยันอนนีทีนี้พอแบบนี้หน่อยเราก็เกิดเช่นาดียวกันพอปตัวร้อแต่ก่อนไม่ได้เลยค่ะจะต้องหายาแก้ไข้แก้ัวแล้วจะทาตัวหนักมากเชนพอโดยนั่นาจะตัวจี้บ่อยๆเราก็ชักปววัวันนี้ชักปว เราอาจจะอยิ่บบได้ไม่ถึงหมื่นเจักวนันเราก็ค่อยๆเห็นเออตายป่วก็เรื่องของการถ้าเราไม่อาใจดีด้วยตัวตนก็หายค่ะเหมือนที่ฉันเวลาที่คนไทยเขาเป็นมเรงเนี่ยแล้วเขาก็จะมาถามเราว่าอ๋อมเรงเนี่ยเออมเรงของเขาเนี่ยจะอยู่ไปกี่อาทิตย์กี่วนันกี่เดือนใตอบเขาได้ใช่ไะ <laughs> ก็เชื่อถือตอนนั้นเนี่ยนรองก็ไม่อยากเจอคนไข้อย่างนี้เลยยิ่งเจอญาติๆเนี่ยหลบได้เป็หลบเลยนะคะเพราะว่าญาติเราบอกใครไปบอกได้นี่วันนึงเราก็เปิดมีคนไข้คนหนึ่ที่มันเป็นมะเร็งอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนั้นเครื่องแอมันไม่ค่อยดีเขาก็ร้อนมากเขาคงเออเซลมะเร็งเข้าก็ทําให้เซลมันตายเยอะแยะเขาก็ใครขึ้นร้อนมาก พอเวลาที่หมอพยาบาลเหน็นเนี่ยก็เข้าไปในห้องน้านะคะถ้านน้ำที่เข้าใส่เสือ้อเสือเส้อเชิ้ตเชิ้เนี่ยค่ะเสือเส้อเอ่อกามเสื้ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็เปิดเปิดฝาปูนน้ํำเย็นจัดเลยนะคะแล้วตาให้ลดตัวให้เสียบแล้วก็เาเป็นนั่งบนที่แอร์พาววอรค่ะพอสองวันเขาก็เป็นบอดบัวแต่เราไม่รู้ว่าบอดหัวและทีนี้คุณหมอทั้งหลายก็ขเข้ามีาอาสารหอบแล้วเข้าให้ขึ้นเข้าไปบริเณที่ตับนะคะ ก็ไปหาว่ามะเร็งที่ตับเยี่ยมันกำเริ่มมาที่บอดยังไงก็รู้ว่าแต่มะเร็งค่ะแต่ไม่มีใครที่จะไปเจอะเลือดเข้าตวจดึกเอาเสียมหักเข้าไปพาะเชื้อนะคะจนกระทั่งห้าวันถึงเฉลี่ยใหญ่ได้ทีนี้น้ำาตก็อ่อนแอมากนะค่ะตกลงบอดบวชมันก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมบ่อแล้วมันก็ทำใหเสียทีนี้ เขาก็ได้คนไข้รายนี้ค่ะเป็นคุตา่อนพอคนไข้จะมาบอกว่าให้บอกให้บอกว่าเขาจะอยู่ไปกี่เดือนกี่อีกี่วันเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าให้การที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตายเพราะมะเร็งนะบางทีคุณก็มาอีกเชื่อเลิพยาบาลยังมีคนไข้มะเร็งคนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเาทใจดีดีดีเนี่ยเขาจะอยู่ไปได้ปีหรือสองปีแต่เพราะว่าเอาไปเอาน้ํำลดหัวแล้วก็ไปนั่งเป่าแอร์ เขาก็ได้เป็นปอท่วมน้ำา่วป่อแล้วก็ตายไวภายในไม่ถึงเดือนที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วเราก็ได้ความคิอดอย่างนี้ต่อไปแล้วก็บอกเนี่ยนะหมอมานั่งอธิบายคุณอยู่อย่างนี้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคุณก็เห็นว่าหมอปกติดีแ้วเดี่ยวมอออกไปที่ถนนจะเดินข้ามถนนนินบนทางม้าลายนะแต่เกิดมีคนเนี่ยมันไม่เห็นว่าทางม้าลายนะ ไม่เข้าใจมันก็ขับววเาเสี่ยหมอตายคุณก็ต้องไปข่าวสดหมอแล้วคุณามคาดคาดนั่นละว่าคุณจะหีไงานเท่าไหร่นะคะคือพนักานทาให้เขาลึกจะให้ความที่ตนี้เน่ยเออเขากใจกว้างลึกก็ต้องพูดกับเราเราว่าหาเรื่องอื่นที่จะทาให้ใจเขาเนี่ยหมดความยึดมั่นสำคัญที่ว่าอุยกินมาเลยที่มันไมได้เป็นมาเล่ที่ ตามแล้วมันไปดวทัวๆเขามันไปกินสมองกินใจไปหมดแล้วนะคะมันมันก็เลยทําให้อะไรก็มาเลงหมดสัตว์นะมันก็บ้าเท่านันแหละทีนี้พอเรามีอุบายอย่างนี้บ่อยๆพอเราไปเจอคนไข้ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นหมดเรื่องมาเลงเขาเรื่องเลือดเขาแตกหรืออะไรเนี่ยเราก็ที่พูดมาอนี้สอดจับจูครับให้เข้าออกมองๆกว้างนะพอเขาออกมองก็กว้างได้ใหญ่เขาไม่ไป ปลาทานุ่งกระดีมาเลี้ยงเขาเนี่ยค่ะมันก็ดีที่เอาไอไอไอกายที่ป่วยของเขามันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจะมาและใจที่เราให้เขาคิดดีๆเป็นเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วอีกอันที่พวก็ได้ปวดเนี่ยค่ะฉันก็จะเปรียบเทียบกับเขาบอกร่างกายเราเนี่ยมันเรือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ปวดเนี่ยเรือเขารั่วถ้าเกิดเรือมันรั่วตรงสมอเรือเออ หมอเขก็เหมือนกับคนจะเอาชันยาให้อ oh, so ่ะชันยาเนี่ยถ้าเกิดเราหมอเขาก็จะเอาชันยาให้ต้เหลือลวดตรงหัวเรือเราก็ไปนั่งอยู่ตรงหัวเรือตกลงมันก็ทําให้เรือเนี่ยมันจมอยู่ในน้ําเป็นน้ําชันยามันก็ไม่ติดถึงกระดาษน้ำมันจึเข้ามาไดเรื่อยๆเรา่าเอาใจเราอ่ะไปนั่งท้ายเรือจนะหัวเรือมันจะได้เชิดขึ้นหมอเขาเอาชันยาเอายาให้ ยาทำอะไรอะไรรักษาเราเนี่ยชันมันก็จะได้ปักลงถูกแดดมันก็จะได้แห้งติดเลิศแล้วการมีเดือเราลวนเขาก็เหมือนเดือดอีเดียใช่ไหมะเนี่ยไม่ใช่ต้องแย่ใจจ้าใจไม่ต้องไปนั่งอยู่ไปเป็นที่เดือรั่วตรงนั้นล่างกายเราต้องหอหมอให้หมอตอาจากการไปเขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขานะคะแล้วก็หัวใจของเราไปถ่วงท้ายเลือดเนีย แล้วแ่เมืเขาเกิดสนใจจะปฏิบัติได้เขาสวนมนได้เขาแผ่เมตตาให้เจ้าตำ น, น, นายเรศเขาเลยทำุทธศัทธาเราถือว่าเก็บให้ได้ป่วยเนี่ยเป็นข้อที่ข้อในระบบพรอมเราไปทำอีกธีชี้ให้ยื่นให้เขาเจ็บให้เขาทุกคนละภาพให้เขาถึงแก่ความตายจะด้วยเจตนาหรือประมาทก็ตามีนะคะสีข้อนึ่งที่ ไม่ดีไม่งามใช่ค่ะก็จะเป็นผลให้เราเนี่ยเจ็บใข้ได้ปวยหรือว่าเดินไปก็จะดูตรงนั้นดูดีเขาเ อ, อทําอะไรกันอยู่ห้องก็หล่นมาโดนเราจะเป็นสฏิเสธหรือเป็นอะไรก็ได้แต่มันจะทให้ตายของเราเนี่ยต้องต้องมีเรื่องเก็บทุกคุณภาพโดยมีตั้งทำี่เราทำเอาไว้ค่ะในที้เกิดเขาเกิดฟังแล้วเข้าเ ข, า, เขาเข้าใจตรงนี้เขาหันมาสนใจที่จะภาวนา บุตรใจญ่ของเขาเลยค่ะหรืออย่างน้อนทงส่วนนเข้าแผ่ในตาเสร็จก้ช่วยค่ะเพราะว่ใจญ่เริ่มที่จะเข้าใหญ่เองดีแล้วเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็จะเห็นผลว่าพอเข้าแผ่ในตาให้แล้วเนี่ยเขากสบายขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นจุดนอมหนามให้เขาหันมาทําใจเขาเนี่ยให้ไมนป่วยได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วคนบางคนค่ะอย่างที่ดิฉันเล่าที่คนใต้รายเนี่ยเนี่ย ท่นก็ไม่ได้สนใจใหจญใจ่ๆเลยและเราก็ไม่ได้คิดว่าการที่จะเปีนสอนให้เขาฝึกภาวนาเนี่ยเขาจะทําได้เพราะว่าเขาไม่เคยภาวนาเลยนะคะแล้วเขาก็มองไม่เห็นด้วยว่าเขาทําได้ยังไงจึนๆๆมันจะต้องเป็นมะเร็งแล้วก็กระจายไปที่กระดูกแล้วเขาก็เจ็บ ม, มากที่บอกว่าทุกดุขผลเขาเนี่ยเปนเะว่าถูกเก็บแล้วตั้งเอาไว้หมดนะคะ เราก็เพราะว่าเราแอนที่จะไปบอกเขาบอกสีบกพร่องหรืออะไรเรื่องหน้าออกกับแล้วเขาบอกเขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณต้องการยาแก้ปวดถึงขนานที่ยาแก้ปวดที่หมอจะให้อย่าที่คุณต้องการยมันจะเป็นกดทําให้คุณหยุดหายใจไปได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าคุณกดทำสมาธิเป็นเนี่ยสมาธิจะแทนยาแก้ปวดได้ซ แล้วเขบอกด้วนะคะการทำสมาธิวิธีหนึ่งจะทําให้เราข้ามเวทนาได้เหมือนอย่างกับที่หลวงพ่ะชาท่านพาลูกศิษทั้งหลายของท่านข้ามเวทนานะคะหน้าร้อนเนี่ยค่ะท่านก็ให้ปิดประตูหน้าต่างสาราให้หมดแล้วก็ให้พระเนี่องนอนแดดจัดเต็มยนต์เลยค่ะแล้วก็นั่งภาวนาะพระก็อโอ้ร้อนจ ะ, จ, ะจะแรกเลยตับแลดนะครับท่านก็บอกว่า นี่แหะให้เถอะมันออกจ น, นะะมันน่ะมันระเหยแห้งไปเองจะได้ข้ามคนเวท น, นานได้ก็ออยังข้ามไม่ได้พอมั น, น, นเริ่มหนาวพะก็ดีใจกันมากนะคะเพรปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วยังใสทง่ทัางทีวอัดหลังคาเต็มพะนาวได้ที่เดี๋ยพ่อให้ใจ่ายแต่สบงระฆังและเปิดประตูนหน้าต่างหมดชุดด้านนะคะซึ่งจะเสียค่ะ เราเราก็ไรียึกุบายของหลวงพ่อแล้วเราก็เรียนว่าเออคนไข้เนี่ยนะถ้าเกิดเขาสามารถที่เขาจะโมือเวทนาของเขาโดยที่เราเอาใจว่าหงๆเอาไว้ไม่ไปยึดไม่ไปดิกระมันเนี่ยบางทีช่วดีเขาก็จะผ่านเวทนาได้เหมอนกัเลยค่ะเราก็ให้เขาถัดทำสมาธิโดยที่บอกว่าอันนีมันเป็นอย่างแก้ปวดตำลายเขาก็ตั้งใจทำนะค่ะถ้าบอกเขาทําได้ เหมืนคนบางคนเนี่ยไอโยติเนี่ยเขาก็ทําสมาธิได้แต่มันเป็นวิชาสมาธินะคะแต่ท่านนี้เนี่ยท่านใจท่านเป็นกลางเมื่ะนั่นตั้งใจทําผลของสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยมองชีวิตของตัวเองหลายเรื่องที่ด้วยแล้วท่านก็เริ่มเห็นของท่านแล้วท่านก็เข้าใจเรื่องของตรรมใช่ไหมเพราะท่านก็ให้เราได้เห็นว่า ั่นบอกว่าทาไมท่านถึงต้องแก้ทุกครูทุกคนเนี่ยเด็กผู้ชายทั้งสายที่มันขึ้นมัธยมเนี่ยค่ะาเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ในกรุงเทพกันพอปีเทินเนี่ยก็เจอเจอกันก็ชวนกันสนจนก็ทำยังไงค่ะมีหนังสทิ๊กานแรกก็ยิงเต้านิ่งก่อนเอาขวดเอาประกองเอาอะไรวางให้มันอยู่บนปลายเล่๊กจะได้ยิงไดตอบนเข้าไม่เอานะคะ แล้วกินผ่าไปกินมันให้หมดเลยค่ะลบลงให้ลมแถวนั้นเนี่ยต้เป็นเนื้อให้กินแล้วก็ไม่ใช่เอาไปกินเยอไปทาอะไรนะคะคือเรียกว่าตายที่ตายคว้าอะนี่บ่อนที่ต่อมาก็เิดปีนขึืนไบต้นไม้เพจะปเอาะไรก็มก็เป็นโครกรังลกรัเลยมีลสามจัวมันงพ่อแม่นกินหดนะคะแล้วมันว่าอ้าปอย่างเนี้ยนะคะไม่เมกับว่ามันยิ้ไม่มีใครเอานอนเอาอะไรมาป้อนมเลยแล้วข้อที่ลายที่สุด ท่านก็พูดต่อไปว่าเมือนะเมื่อแม่พ่อตายหมดเนี่ยกลางวันมันก็ไม่มีใครมาปกมันก็คงร้อนพอตกคําน้ำค้างหลงมันก็ไม่มีอะไรมาปิดบังน้ำค้างมันก็ไหนจะทั้งร้อนทั้งหนาวว่ามันจะถึถงจะตายเนี่ยมันคงยิ่งกว่าเข็มแทงตามผลตามอะไรมันไหมคะพอท่าน แล้วมันก็มาใช้โลที่สินทางผิวหนังเนี่ยแทนเมือนเดียวกอินเดียค่ะที่เขาทาให้คนเอาเข้าใส่โลหแล้วก็ต่อตะปแล้วก็เอาฝัง่เจวันแล้วพอคนขึ้นมาแงะโลห์เขาก็ยังมีชีวิตได้เพราะพื่ที่เขาจะทำสมาธิจนไปะทั่งเขาชานาญเขาปังตัวใ้อยู่ในชาตน้ำชาตนี้ได้ เพราะฉะนั้นขอเขาลงไปในโยกก่คตะปูปีเขาก็กำหนดให้ใจเขาลงนมดถึงฐานเลยลมที่อยู่ในโลกเนี่ยเพียงพอที่เขาใหญ่ใจหายใจตามผินหนังพอครบเจ็ดวันพอกระเทือนเนี่ยหวาดลมถอนตะกูออกเขาก็ออกสระชากเพราะฉะนั้นเขามามือนเล่นก่อนนะคร ทีนี่พอเราเข้าใจอย่แล้วเนี่ยเราเราก็ให้คนไข้เนี่ยจำเก็บว่าเวลาที่ใจเขาไม่ดี ๆ, ๆเนี่ยจำเก็บคุณไม่หาใจทาก่อดนะเพราะฉะนั้นพอบรเมันจะได้ไปที่ปอดเอาเนะะี่ยค่ะมันก็มีน้าช่วงปอดหมอก็จอดตอนแรกก็จอดได้เป็นน้ำใส่ออกมานะคะแต่กอต่อมาน้ํมันก็ข้นมากโดยเฉพาเข็ยนเบอไ์ให่ ไอ้นาอันนี้ก็ลอดอยู่ในเกงหยุไม่ได้คุณหมอก็ผาอท่อแก้วสอนแล้วก็เอาแต่ยางต่อหยท่อมันก็ค้นอน่ตางมันคลอดในท่อแก้วใช่ไหมค่ะท้งท่อแก้วขนาดั่หมนเราแต่คนไทยเราฝึกไว้ดีแล้วเขาไม่เดือร้อนนะคะหรือคุณหมอจะเอาเข้าไปเอ็กซาเรแล้วพบน้าทวมเต็มไปหมดหรไม่ต้องปอดแค่คาเวไปหมดเลยเขาก็นอนได้อย่างสงบเพว่าเราบอกว่าจาไว้นะ กำลังอยู่และใจอยูนี้เนี่ยคุณไม่ได้หายใจทางปอนเขากเชื่อค่ะทคุณหมอเนี่ยสนสัยเลยว่าเพื่อเอ็กซเรย์เสียอยังไงเอาไปเอ็กซเรย์้อีกมันก็ขาวก็โตอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าหกุดไหลเข้าจากสมาธิเขานะคะเขาก็จะทุรนทุรายจากแมสายแล้วภรรยาเขาถูกเราถืว่าต้องทสมาธิกับสามีไปเรื่อยๆเขาก็เตือนเพราะว่าพอเขาจุดจากสมาธิเนี่ยค่ะเขาก็จ มากเลยเพราะเขาบอกว่ามันหายใจไม่ลงมันหายใจไม่เข้าเอาผ้ามาผ้าเอาอะไรมาทำอัดลงให้เข้าไปในปอดก็ไม่ได้ภรรยาเขาก็แบบก็ปอดทางปอดแบน้ําทั่วมหมดแล้วอ่ะเธอก็ทำหนดที่จะทําใจที่นี่มันจะได้ไม่ต้องหายใจทางปอดนะคะเขาก็เตือนกันเขาก็ท่านรักมากแบบผู้นี้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วพ่อภรรยาเขาก็ทําไปด้วยนะคะและลูกสอคนที่ โยมกับอมตะโยมสก็ถูกอนุภาพให้ทำไปด้วยค่ะด้วยฉะนั้นเมื่อตอนที่พ่อเขาตายดีเนี่ยพวกนี้ก็จะเสียใจเขาไม่เสียใจนะคะและพอหลังจากงานศบเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเข้าคลอดทำสมาธิกันแล้วก็ทาที่ประโยชน์ไปให้พ่อเขา่อได้ทาให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่หายมาัต่บาอยามมันแน่นมากซึ่งเราก็ชื่นใจค่ะพราะฉะนั้นไอเินกา จะทำสติบอกว่า กับองมิหารสีโภชสมบัตินะคะ ¿no? มันมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นมันมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเมล์ใหญ่ของเราที่มันเผลอจะดีไปเนี่ยมันจะทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเพราะที่อยู่น้ค่ะถ้าเวลาอยู่สบายสบายอะไรมันก็ทุกขใจเราเรู้แต่ก็วางมันก็สบายแต่ถ้าเพอเรารู้หลักอรู้วิ่งยกตัวอย่างค่ะอย่างวันนี้ดิฉันจะใส่เสื้อตัวใหม่นะคะพอมันคลุ้งขึ้นมาเนี่ยดิฉัน พูดฝนอย่าตกเนาะเดีวตรงนี้่านเหลือาครื่งเดียวแล้วคนตกได้นไม่ตกพอแดาที่ตอนนั้นแดดมันหูบเข้าหน่อยเนี่ยบางทีไม่ใช่มันมีเมฆฝนมาหรอนะคะแต่เพียงแต่พราที่มันไปอะไรบางเขหน่อยีดิชันก็อ้ตายแล้วใจหายใจคว่ำละัอนลกนะคะตรงๆทุกเดียวนั้นเลยแต่ถ้าดิฉันนึกว่าเราดีได้ว่าฝนตกเปิดทางหัวมัน ฝนตกปรเดีฝนไม่ตกเดี๋ยวมันจะเพื่มมันจะไม่เพ่มดีช้ก็สบายใช่ไหมคะแม่เปนะไร้าก็ต้องแสดงิจันได้พอเราเดเสื้อมาแต่เราไม่รู้ตัวแล้วนะคะบางคนบางคนหลน่ใหขึ้ดันเสร็ก็ได้จะบวบบอยนะ ย, ย, ออย้ายเสื้ายาวเพราะฉะนั้นสมัคโอกาสมันก็เหลืออีกน้องไม่จะยิ่งมี เลือกมากนะคะว่าที่โอกาสที่จะได้สมประสบเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไในที่สุดอะไรนี้เนึงก็ใจตรดอนใจก็ควาำแล้วเนี่ยถัดถึงบอกว่าที่ลูกเรื่องวางมาแลไวนะเหมือนเส้นเาจนชาบอกโอ้ยไม้ดอนเนี่ยมันหนักหนักหนักหนัก่ถ้าเรื่วางมันเอาแบบมือเนี่ยมันจะหนักไหย พอเราได้จะอีดขึ้นมาแล้วกว่าน่แต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเพลิเรื่อยค่ะพออะไรนี่อะไรหน่อยก็ไม่มาแบ่งหา้าไว้เต็มเทียบเลยนะคะพอเริ่มทุกอย่าหายใจไม่ออกว่าเม่นแล้วอาไว้อีกแล้วว่ามีลมคาะมันต้องสุกทุกอ่านสนิทดาแ้วอ่าไปนอนใหญ่ค่ะและอย่าไปที่รุดูสมรภาพโดยเห็นว่าเราไม่มีคุณวาสนาเราโเวนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นครอบครัวนจะเกิดเจ อ, เ อ, อมีเด็กคนเลค่ะจริงแ ล, แล้วเนขาก็เป็นคนที่มีความสามารถมากแต่เอายุทธิคมันในตัวเข้ามากเกินไปเขาก็เป็นโรคจิตที่พ่อแม่มีมันมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่จ่าหาจิตแพทย์ทั่วออประเทศไทยแล้วเข้าไปทํายุโรปทำอเมริกามาหมดแล้วค่ะกับวันหนึ่งก็เจอกันที่ ทำฟังที่ฉันบยายทำแม่เขาก็แนะนำแล้วก็จวดยมัอย่างนีย่านันก็เราแนะนำว่าอย่างนี้เขาก็บอกฟังคุณน่าสนใจนะคะแต่ไม่ใช่หูไม่ทำค่ะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่โอยไม่ไดาไม่ทคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ทำไม่ทานะคะไม่ลองด้วยนะคะคือูุกบด อันี้แบบนนใน่าสนใจแต่ไม่ทหรออันนี้แบโคยากยังไงก็ไม่ทคือไม่ว่าจะพูดอะไรในแบบก็ปิดประตหดแล้วจะปิดประตูมดได้อะไรจะเข้าไปได้เหคะฉันก็เลยเลตัดรก็ลอเป็นตมกรรมตามกรรมของเธอไแล้วับใครกับม่แต่ก็รู้สึกตามพอแม่เขานะคะว่าถ้าอยู่ีรูปอย่างนี้มันก็หนักใจไปหมดเลยเพราะว่าเป็นธรรมดา เรื่องอะไรเกิดกับตัวพ่อแม่เนี่ยมันยังเจ็บน้อยกว่าเกิดกับลูกที่เปรตมีกับแอบตาหลงใจแล้วก็ล้างอายยาห้ามสรรหาสารัดสารพิเศแต่กสเร็ตรนี้ค่ะซึ่งเราเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ถ้าเราก็ตั้งใจช่วยตัวเราทําังไงละถ้าเราจะปวดตายขึ้นมาเราไม่มีทางที่จะไปต้นเดาหรือว่าไปเออ คนปุ่มาไว้ว่าขอตายอย่างนี้ขอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่พระเจ้าให้อุบายเราได้ว่าของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเราอยากจะตายดีเราก็ประกอบเหตุดีทั้งหลายเอาไว้นะคะเห็นใครเจ็ใครได้ป่วยแล้วช่วยก็ได้เราก็ไปช่วยครับเห็นซ้ำอะไรมันจะแย่เราก็ช่วยคือเราอยากมันตายเราอยากใด้ที่ว่าทำของมันเถอะนะคะเราทำทุกอย่างท่าที่เราจะทำได้ ถ้าเราก็หวังว่าหาที่สนนั้นเนี่ยมันจะมาตอบสนองเราว่ามาถึงคราวเรามันก็ให้เหตุอะไรที่ทําให้ของที่ดีงามใหญ่มาเกิดกับเราได้ชราก็จะได้สบายใจก็ที่เราบอกว่าตรรมทั้งหลายเนี่ยเรามีกรรมเป็นกํามเดิมมีกรรมเป็นเผ่าพันทีนี้กรรมเนี่ยเราจะไม่เลือกได้นะือเปล่าวะเราทำกรรมอย่างนี้เราถึงจะได้ผล เรื่องที่ได้แต่เรารู้ว่าอะไรที่เป็นตามดีที่เราทําแล้วเราชื่นใจแล้วก็คนที่ได้รับเขาชื่นใจเราทําเอาไว้ไรื่อยๆกันลเพราะว่าของที่ดีเนี่ยมันดีกับเรามันก็ดีกับสามโหรโลกถึงใส่ซุ้แล้วมันก็ดีด้วยแต่ถ้าเกิดมันร้ายเราตั้งใจจะเอายาพิษไปให้ไอ้คนร้ายที่เราเลียดที่สุดเนี่ยถ้ามันเป็นยาพิษ ก่อที so so walls, ่มันจะไปทําให้คนที่เราตั้งใจจะวางยาตายเนี่ยนะคะตอนรปรุงให้มันอ่ะถ้ามือเราเปนทะเลาะมันก็สั่แรงให้เราเห็นก่อนว่าเราจะตายก่อนที่คนนั้นและกันเพราะมันจะตึงเข้าไปในเราเพราะฉะนั้นจีนที่เป็นธรรมะเนี่ยท่านดีมันก็ดีเสมอหน้าเสมอท่าร้ายมันก็ร้ายเสมอหน้าเสมอทรวงทั้งตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่เกิมีแล้วเนี่ยอะไรที่เราไม่ชอบเราอยากเกิดไปเราเราอยาไปทําให้คนอื่นเป็นอันขาเราต้อง มีวินัยกัตัวเองที่เราจะซื่อตรงกับตัวเองว่าถ้าไอ้สิงนี้เราก็ต้องการให้ใครทํากับเราเราก็อยากใําให้ใครเป็นอันขาถ้าเรายึดท่ากี้นี้เอาไว้เนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดกรรมกรรมของเรามันจะมาเป็นผลเกิดขึ้นกับเราตอนเราจะตายเนี่ยเราเหมือนกรรมที่เราทําแต่ละวันจะทําตละวันใสกระปองไว้แล้วพอเราจะตายใช่ไหมะกรปองมาให้เราดิว่าราังวันมันจะเกิดอันไหนใช่ไหมค่ะ ถ้าเราใส่แต่สลากนี้เอาไว้ทางา น, นเลยหรือถ้ารถชั่วนหนักทาอะไรไม่ได้ก็ใส่สลากของเปล่าไม่เขียนตัวอะไรเอาไว้นะครัะถึงนำไปถึงตาได้ทึ้งเนี่ยเราก็ไม่กลัวแต่ก็หยิบมาอานหนึ่งเราก็ดูว่ายังอ้ายยังไงอย่างเดียวก็ได้สลากเปล่าจะมาหาแต่ถ้าเกิดเราคิดใช่หมอไม่มีใครขอถาไม่ดีสักอันเธอะนะอันเดียวเท่นั้นนะจ๊ะแต่พอถึงตอนที่เราเก็บก็ใหน้หยิบสลาก อย้างเราจะแบไปดิเขาบอกะอ้ขออยากได้สตางค์อันไหนนะมือเราจะต้องจีบได้พอดีค่ะที่มีอยู่อันเยอะกันเลยนะคะเพราะว่าทำทำเยอะแล้วอย่างไหนมันต้อกลับมามันมีชาโเดาอันที่ในในเรือเนี่ยมันต้องจับงานกับเจ้าสาวมาได้แกบเจ้าสาวมากก็ปกติในเรือเนี่ยเาจะให้เอาดีไปด้วย เขาก็ขอญาตว่าเพราะเขาดันงานเขาอยากแตเจ้าสาวไปด้วยคนก็ไม่ว่าอะไรพอเจ้าสาวขึ้นเรือแล้วเนี่ยค่ะทำาเป็นยังไงก็ติดเครื่องเรือไปได้ก็มีคนที่เราลุงจำเหวียงก็บอกน้องชายใ้เรือเนี่ยต้องมีการลาภีดีให้ทำฉลาดนะคะแล้วก็จับกันตอนแรกก็ให้เกียนภรรยาในเรือจับเป็นคนแรกแต่หาังลาภีดีใบเดียวนะคะผู้หีิคนนี้ก็จับได้สลาดนั้น เ่อนก็เปลี่ยนกันเลาๆทำสลากใหม่นะคะแม่เอาก็ให้คนจับว่ายังไงมีสลาการอะิรีนี้มันก็ต้องถูกหยจับไปเมื่อใบสุดท้ายบางคนกายเป็นิงคนนี้อีกค่ะม่เอ้าเอาใหม่ให้จับพลาดกันผู้หญิงคนนี้ก็จับได้สลากการอะไรี้ในเือบงอ่อแล้วไม่ต้องทำสลากใหม่แล้วเชื่อแล้วว่าของตัวเนี้ยเป็นการินตี แต่ทีนี้นเรือบอกว่าทนไม่ได้ถ้จาจะจับเขาขึ้นน้ําไปเพราะกว่าเขาจะไปจมน้าําตายเนี่ยมันเห็นตาตาแล้วแบบไม่สบายใให้หากว่าหญิงถูกขอครก็พอเอาลงน้ําเขาก็จมหิ้งไปลเลยสักะารทีนี้ก็ผู้อื่นคนเรือไปเนี่ยเรือก็ถีกเครื่องแล้วก็ออกได้ค่ะพวกคนรายการนี้ก็ไปถึงฝักเข้ากลุ่มก็มีความสนใจเรื่องนี้ก็ไป กล่าวกบผู้ศดษยาแล้วกเล่าเรือให้ฟังแล้วปถถามว่าทำไมเนทไมจเป็นเป็กอย่างนี้แล้วผู้ศิษย์าก็เลยบอกว่าในชาติทกหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยค่ะเออเป็นเป็นอะไะคือคือเป็นเด็กสาวสวยแล้วก็มี่มบ้านาใจกันเนยอะแต่ทีนี้พี่คนนี้น่ก็มีเลี้ยงเลี้ยงหมาไว้ค่ะและหมาก็ตา ตามๆ่างๆรวมทั้งหลายเราก็เลยจะล้อว่าโอ้ไม่ไดิดีแต่เนกับคนได้กันนะแม่กระนั่งหมาเนี่ยก็บีบใจผู้หญิงก็คล้ายๆอาจก็ไปชอบค่ะก็ไล่หมาแม่หมาไม่ดูหมาอะไรด้วยอก็หมาตัวหนึงซึ่งมันก็ยอมครับไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะไปที่ไหนมัดตตาไปเลยแล้วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็จะต่างหาก ่าด้วยเกล็ดน้ำเสีใช้ในบ้านนะคะก็เลยเอาใ า, า, าะะ่เนี่ยใส่หม้อน้ำแล้วก็เยียบหมาออกมากใกลแล้วก็เอาหม้อที่ใส่ใส่เด็กนะคะผูกคอแล้วก็ถักไม้ตบลงไปในนะะ้ําด้วยกรมแบบนี้เนี่ยตายตายไปจบนรกแล้วเศษกรรมก็ตามมาทําให้พอมาเกยเป็นสาวในชาตินี้นเนี่ยแล้วเป็นที่ต้องใจ เอาใส่หมอ้อแล้วแบบปุกหอมมาแล้วแบบทับถนนส่งน้ำจนมันตายไปเจตุการนี้ก็ตามมาทำให้ตัวเองต้องการเองกันนี้แต่ก็ต้องดุดุดดุดถุนน้ำเอกญาติเพราะฉะนั้นเราถึงบอกไว้ลยคร่ะว่าถ้าเรามีความซือ่อตรงต่อตัวเองเราทําแต่สิ่งที่เราอยากให้คนทําให้เราถ้าอะไรที่เราจะใจที่ว่า ที่เ้าทายประัดอย่างนี้ให้เราเราไม่พอใจเราต้องมีวิในตัวเองที่เราจะไม่ทำให้ใครเสียชาตนะคะถึงเราจะไม่รู้บุญรู้บารู้อีรู้ทั่วทั้งหมดเนี่ยแต่อย่างน้อยที่อะไรที่เราไม่ชอบเร่องหนึ่งเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเราไม่ทําถ้าเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยค่ะยังง่ายยังไงยังไงนะคะมันก็ไม่มีกรรมชั่วอะไรที่จะทําให้เรา ท้อไปได้สุดะมันก็เสมอตัวเลยว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราพอที่จะมีสติปัญญาแก้ไขได้และความสิดไทยได้ป่วยเนี่ยค่ะถ้าเราหองมันให้เป็นอย่างที่เรายกตัวอย่างมาเล่ากันในนี้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นห่วงอาการเราก็จะรักประมันได้เราคือบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าถ้าเราพิทรณาเห็นลายของเรานะคะ ไต่ดาเนี่ยเป็นท่านฟื้นที่มันยังเปียกอยู่แล้วก็ตัดออกมาแล้วเผาไฟเวทานาเนี่ยคือไฟท่อนฟื้นที่มั น, นยังเปียกอยู่ส่วนนี้พอเผาไฟเปเรื่ย น, นะคะมันจะบิดมันจะดีเทละแล้วมันก็จะไม่ไหม้ไปอย่าท่อนฟืนแน่เวทานาคือไฟไต่ของเราคือท่อนฟืนนะคะใจของเราเคือเราคนที่นั่งดูฟืนมันไหม้ไป ถ binary, ้าเรานั่งดูคืนมันไหมไฟเนี่ยเราเก็บมันอแต่เรา่เก็บแต่เราจบาจะบ่แต่ส่วนใหญ่ที่เราโอ้โหทนไม่ได้เกิดความกระถาตายตาเนี่ยเราไปโจนเข้าไปในท่อนคืนที่ไหมไฟเราไปรู้ว่าที่ท่านฟืนนี้คือเท้านะคะเราฉะนั้นตรงนี้ะถ้าเรามีสติทันที่จะบอกว่าเออน้ำต้ไฟเนี่ยฟืนสบของโลก คืนใบดิ้นก็เอามาจากอาหารที่กินเข้าไปน้ําก็เอามาคืนคืนท่านใบอย่าไปชอบโอ้อิเราจะตามร้อยถ้าเรานึกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะเวทนาเนี่ยมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ใช่โรคหรืออะไรอย่างเราเป็นโรคถ้าเราไม่กินยารักษาให้เราไม่หายแต่เวทนาเนี่ยพอเราพยายามท่า น, นัหละหายเลยกินยาหมดมือหมดามทึกเอาไวา้ และเราก็เลยเป็นยืดเอาว่าไอ้ที่เราเจ็บตรงโน้นที่เราแย่เป็นของโรคแต่ไม่ใช่ปัญหาใจของเราที่ไม่รู้ดับความเป็นจริงที่ใบมั่นสัน่นคลอนนะคะและเรามันพิจารณาอย่างนี้เนเรื่อยๆที่เวลาเรานั่งนั่งสมาธินี่ค่ะแล้วอุ้ยจะทิวอินร่างกายเรนี้คือก้อนตรีปลอมทุกนะอีเดียาบทบปนบทปางทุกอาไว้ เราดูนะคะตะตุ้งนี้มันไม่อยู่ประดาแล้วพอเราคลิกปกระเทียมไว้น่งสถิสแเลหายเรียบร้อยไม่ไมดียาบดคุณบดบางทุกขเราจะต้เวลาลเราเดฟาพจริงไม่มีใครมาคลิปเราโยกขาไม่ไหวอย่างที่ยกตัวอย่างคุณได้ทีนั้นเราจะได้บอกว่าอันี้มันก้อนทุกข์ยิ ก, ก็ไม่ใช่ทางคุณเหอมันได้ใช่ทางนะคะ จะได้วางมันเอาไว้เนี่ยถ้าเราที่เจรนาอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เจ็บจริงก็กระเทาะกระแทกมันก็ไม่ได้ดูหมอมีโรงพยาบาลนาใจเราก็จะค่อยๆเห็นจริงขึ้นเห็นจริงขึ้นแล้ววันเราก็จะพบว่าทาไม่ได้เจ็บทั่วทุกท่ายอดที่เคยเจ็บนะคะเราก็มีกำลังใจขึ้นเรื่อยค่ะยังไงที่สุดต้องใจเองสักวามเป็นที่ สติของเราที่จะเริ่มงอกงามขึ้นมันก็จะมาเป็นลักพิทากลราให้ใหญ่อี้ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนจากความเป็นเรื่องหลีกหัวหอมจนไปตัมงเป็เร่อเดียวๆมันเป็นสีสันในเรืรู้อย่างจีนของผู้บาจางแหลม้เชชานะคะส่วนของการที่เราจะรู้เท่า ท, าทันติเอกนี่ยคะมันเป็นธรรมชาติท่าเกียวกับแต่พรมพอเนี่ย้ทาทาว่านั้นจนไปทำ สายธรรมดาธารมที่ไม่ใช่พิเศษท่านก็ละลดท่านที่มาพรองนะคะในตททั้งพระสารบุตเนี่ยท่านก็ไม่ต้องละนะคะวิสัยไม่ดีไดีเพืาอท่านเกิดเป็นในหลายชาติพอสบถเนี่ยท่านก็ประดุจโผล่ขึ้นเลยละสายบ้างกระโดดตามหลัวออกเล็กๆขไปข้ามชาวบ้านที่เรื่องคนถึงก็ไปดูพ้อพระคุณเจ้าว่าทำไมให้ธรรมเจ้าบดีจารีบุตรดังนี ที่ยาไม่ลดงาเขาเพื่อจะถามแล้วแต่เป็นกีเลสข้อไหนล่ะนะคะก็บอกว่าพระอาหารเนี่ยท่านละแต่กีเลสทั้งหมดแต่ปล่อยว่าจะถามขึ้นทนิสัยเก่าๆท่านไม่เป็นมันมันไม่ได้เป็นกีเลสตรงไหนท่านจะไปดลดถ้ากรอกเพรื่องของท่าหนักมันยืดิ่นมาเดิมของท่าหนักแล้วมันเบกมันโดนตะบานหนาหัวขายดก็หวังว่านะคะเราจะได้ กำลังใจกันแล้วก็ไปทําให้เรา ใ, ใจไม่เสีย น, นะคะแล้วกายอี้เราดูของโลกที่มาเขาอยากได้ดึเมื่ อ, อะไรเราก็คื้นเข้าไเราไม่หวังแหลเราไม่เกี่ยวที่เราไม่โงนะคะแต่ใจของเราเนะะี่ยเราต้องนไว้ให้ดีงามนะครับเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่ทาให้เราสึกโลก่ตกเ ย, ย, ะะะะยือกตกคอไปค่ะก็ฝากไว้เป็นกำลังใจ อาจารย์แอนเสรินะคะก็เดี๋ยวให้โอกาสเข้าห้องน้ำเ